จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผอุบาศกผูบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่ยี่สหาพุทธศตวรรษพุทธศักราชสองพันห้ราเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ผู้มีความศรัทธาที่มั่นคงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาชำระกายวาจาใจให้สาหาะสาอาดปราศจากอกุศลต่างๆที่เปรียบเหมือนกับปฏิกูลที่สร้างความ ไม่สะอาดให้แก่จิตใจสร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจพระพุทธเจ้าทรงจัดสรุเห็นว่าอากุศลเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเหมือนกับคราบสกปรกที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าที่ต้องมีการชำระซักล้างอยู่เรื่อยๆ ใส่ได้เพียงวันเดียวสองวันก็ต้องเอาไปซักเอาไปล้างไม่ฉชนนั้นก็จะส่งกลิ่นเหม็นไม่สามารถที่จะใส่ได้ใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่มีสิ่งมีคราบสกรปรกต่างๆมาเปืเป้อนอยู่ตลอดเวลาคราบสกรปรกเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ว่าเป็นอกุศลมีอยู่สิบประการด้วยกันเรียกว่าอากุศลสิบเป็นสิ่งที่สาธุชนผู้ปรารถนาความสุขความเจริญก้าวหน้าจำเป็นต้องหมั่นชำระอยู่เรื่อยๆอกุศลสิบนี้ก็แบ่งไว้เป็นสามส่วนด้วยกันอกุศลทางกาย ก็มีอยู่3ข้ออกุสนทางวาจาคือคําพูดก็มีอยู่4ข้อและอกุสนทางใจก็มีอยู่3ข้อด้วยกันรวมทั้งหมดก็เป็น10ข้อด้วยกันอกุศนทางกายมีอะไรบ้างก็มี1การฆ่าสัว์ตัดชีวิต 2. การประพฤติผิดตระเวณี 3. การการลักทรัพย์นี่คืออกุศลทางกายถ้าเราไม่อยากให้จิตใจเราเศร้าหมองให้จิตใจเรามีความทุกมีความเสื่อมเสียเราก็ต้องละเว้งจากการกระ ท, ทําท่านสามประการนี้คือไม่ฆ่าตัดสัตว์ชีวิต 2. ไม่ประพฤติผิดตนวเวดี 3. ไม่ลักทรัพย์ ถ้าต้องการอะไรก็ขอให้เราหามาด้วยความสุดเจริญต้องการอาหารก็ไปซื้อตามตลาดที่เขามีของที่ตายแล้วอย่าไปซื้อของที่เป็นมาหรือไปตามพัตตการแล้วก็ไปชี่ปลาตัวนั้นตัวนี้ที่ว่ายอยู่ในถ้ำให้สั่งว่าให้เอาปลาที่ตายแล้ว ถ้าตายังไม่ตายอ ย, าอย่าทำมาตราบใดที่เราไม่ได้มีคําสั่งให้ผู้อื่นฆ่าก็ดีหรือเราฆ่าเองก็ดีรับประทานเนื้อสัตว์นี้ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ต่างกับการรับประทานมังสวิรัติถ้าเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานนี้ตายแล้ว mm. เช่นถ้าเรามี mm. เราเลี้ยงไก่อยู่ที่บ้านแล้วกไก่ตายไปอย่างนี้ เราจะเอาไปฝังดินก็ได้เอาไปเผาทิ้งก็ได้หรือจะเอามาทำเป็นอาหารก็ได้ไม่มีความผิดไม่มีโทษแต่อย่างใดเพราะเราไม่ได้เป็นผู้กระทำหรือสั่งให้ผู้อื่นกระทำดังนั้นการรับประทานเนื้อสัตว์นี้จึงไม่ได้เป็นอกุศลแต่อย่างใดแต่การฆ่าสัตว์นี้เป็นอกุศลเช่นไปตกปลา ล้าเอาปลาที่ตกมาได้นี้มาทำเป็นอาหารอย่างนี้เป็นอกุศลแต่ถ้าปลาตายแล้วเอามาทำเป็นอาหารนี้ไม่เป็นอกุศลดังนั้นไม่จาเป็นจะต้องรับประทานมังสวิรัตเพราะไม่ได้ทำให้บริสุทธกว่าผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วแต่อย่างใดถ้ารับประทานมังสวิรัตแต่ยังไปยิง ยังไปตบยุงยังไปฆ่ามดอยู่อย่างนี้สู้คนที่รับประทานเนื้อสัตว์แล้วไม่ตบยุงไม่ฆ่ามดเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรารับประทานแต่อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเรารับประทานของที่ตายไปแล้วเช่นเราไปตามร้านอาหารเขาทำอาหารสำเร็จไว้แล้วเราก็สั่งอาหารนั้นมารับประทาน ถึงแม้จะมีเนื้อสัตว์อยู่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ห้ามไปสั่งเข้าลูกหน้าไว้ว่าพรุ่งนี้ให้เอาอาหารเนื้อสัตว์ชนิดนี้ชนิดนั้นมาให้ถ้าอย่างนี้ผิดเพราะว่าเราไปสั่งเขาถ้าเราไม่สั่งเขาทําไปตามอาชีพของเขาตามอัตภาพของเขาอย่างนี้ถ้าเป็นบาปเป็นกรรมก็ตกอยู่ที่ตัวเขาเอง ไม่ได้อยู่ที่ผู้รับประทานอยู่ที่ผู้กระทําดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวงเรื่องเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เรื่องการรับประทานเนื้อสัตว์นี้ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วจะไม่เป็นปัญหาอย่างไรจะไม่เป็นโทษส่วนเรื่องทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองต่าง เราต้องการอะไรก็ขอให้เราทำมาหากินด้วยความสุดเจหาเงินหาทองได้รายได้มาแล้วค่อยเอาไปซื้อสิ่งที่เราต้องการอย่าไปหยิบของผู้อื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตมาเป็นสมบัติของเราอย่างนี้ก็จะเป็นอกุศลกระกรเป็นบาปเช่นเดียวกับการประพฤติตืโตเวณนี ถ้าอยากจะมีคู่ครองมีสามีมีภรรยาก็ควรจะได้มาให้ถูกต้องตามหลักธรรมธรรมเนียมประเพณีของสังคมผู้ชายก็ต้องไปสู่ขอไปขออนุญาตจากพ่อแม่ก่อนอย่างนี้เป็นต้นถึงจะเรียกว่าเป็นการกระทมที่ไม่เป็นอกุศลนี่คือ สามข้ออกุศลสามข้อทางกายที่เราควรที่จะพยายามละเว้นอย่า ก, กระทำการละเว้นนี้ก็ถือว่าเป็นการชาระอกุศลไปภายในภายในตัวนั่นเองการกระทำก็เป็นการสร้างอากุศลให้มาเปรอะเพื่อนจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราไม่มีความสุข ต่อให้เราได้เงินทองมามากมายแต่ถ้าได้มาด้วยความไม่สุดจริญทำมาด้วยผิดศีลผิดทรงเราจะไม่มีความสุขใจเพราะใจเราจะมีความหวาดระแวงมีความหวาดกลัวที่จะถูกเขาจับไปลงโทษกลัวที่เขาจะมายึดเอาสมบัติเงินทองที่เราโกงมาที่เราขโมยมานี้กลับคืนไป ดังนั้นการได้อะไรมาถ้าอยากจะได้มาด้วยความสุขความสบายใจก็ต้องได้มาด้วยความสุดจริตใจสามีภรรยาของผู้อื่นหรือลูกหลานของผู้อื่นถ้าอยากได้ก็ไปขอไปสู่ขอเขาก่อนอยากจะได้ภรรยาของผู้อื่นก็ไปขออนุญาตจากสามีเขาก่อนถ้าสามีเขาวาอนุญาตก็ไม่เป็นปัญหาอะไร อยากจะได้ลูกก็ต้องไปขออนุ ญ, ญาตพ่อแม่เขาก่อนถ้าไปทำโดยที่ไม่ได้ขออนุ ญ, ญาตก็จะสร้างความโกรธแค้นเปลียดชังอาฆาตพยาบาทให้แก่เจ้าของคือพ่อแม่หรือสามีหรือภรรยาทำไปแล้วจะไม่ได้รับความสุขจะต้องมาคอยหลบหลบซ่อนๆมาคอยระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ความสุขที่ได้จากการได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาจะไม่คุ้มค่ากับความทุกข์ที่ตามมาความทุกข์ก็คือความเศร้าหมองของใจนี้เองนี่คืออกุศลทางกายสามประการที่เราควรที่จะละเวน้นส่วนอกุศลทางวาจาก็มีอยู่สามมีอยู่สี่ประการด้วยกัน คือ 1. การพูดปดไม่พูดความจริง 2. การพูดคำหยาคำพรุศว่สา 3. คำพูดเพ้อเจอ้อไม่มีสาระสีคำพูดที่ส่อเสียดคือคำพูดที่ยุยงให้เกิดความแตกสามคัคคีนี่คือคำพูดที่ไม่ควรที่จะพูด พอพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่จะกลับเกิดโทษขึ้นมาการไม่พูดความจริงนี้ก็จะเกิดโทษกับตนเองเพราะตนเองจะกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือต่อไปคำพูดของตนเองจะไม่มีคุณค่าอะไรพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเวลาที่จำเป็นจะต้องให้เขาเชื่อเขาก็จะไม่เชื่อเรา ส่วนคําพูดคํายานี้ก็เป็นคําพูดที่ฟังแล้วทําให้เรานี้คนที่ก็ฟังแล้วเขาก็จะเห็นว่าเรานี่เป็นคนต่ำช้าเป็นคนเลวทรามเป็นคนที่ไม่มีไม่มีวัฒนธรรมไม่มีความสุภาพเรียบร้อยเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย ก็เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเช่นเดียวกันการพูดเพ้อเจ้อก็แบบเดียวกันเพ้อเจ้อหมายถึงพูดสิ่งที่ไร้สาระไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เช่นการนินทาว่ากล่าวคนนั้นคนนี้นินทาเขาว่าเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างไรมันก็เรื่องของเขาเขาดีก็เรื่องของเขาเขาเลวก็เรื่องของเขา ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปนินทาเขาถ้าจะดูดูได้ดูเขามาเป็นตัวอย่างถ้าเขาดีแล้วเขาจเจริญรุ่งเรืองเราก็ควรที่จะเอามาเป็นตัวอย่างถ้าเขาเลวแล้วเขาเสื่อมเสียเราก็ควรจะจดจาเอาไว้เพื่อเราจะได้ไม่ทำต่อไปแล้วก็คำพูดส่อเสียก็คือ การพูดยุยงให้เกิดความแตกสามคัคคีเช่นไปยุยงให้สามีภรรยาเขาโกรธกันเกลียดกันด้วยการหาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงมาพูดหรือแม้จะเป็นเรื่องที่เป็นความจริงถ้ารู้ว่าพูดไปแล้วทําให้เขาเกิดความแตกแยกเกิดความโกรธความเกลียดกันก็ไม่ควรจะพูดเช่นเห็นสามี ไปเที่ยวกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอย่างนี้ถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะต้องไปพูดไปบอกเขาไปบอกภรรยาเขาเพราะจะทําให้เขาโกรธให้เขาเสียใจแล้วก็จะทําให้เขาแตกแยกกันให้เขารู้กันเองดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่หน้าที่ของเรา เรื่องของชาวบ้านเราอย่าไปยุ่งแล้วเราจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรวันหลังถ้าเกิดเขาเขาเขาโกรธกันแล้วเข้ามารักกันใหม่เขาก็จะไม่ชอบที่หน้าเราเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนพูดก็เรียกว่าคนปากบอนไม่รู้จกักหยุดพูดไม่รู้จักห้ามคามพูดของตน ถ้าอยากจะพูดอะไรพระพุทธเจ้าสรงสอนให้พูดในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์มีสาระแก่ผู้ฟังเช่นพูดธรรมะนี้พูดไปเถอดพูดเรื่องธรรมะพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่มีความเสียหายมีแต่คุณมีประโยชน์แล้วก็จะทำให้ผู้พูดนี้มีคุณค่ามีราคาเช่นพระพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้บูชาทุกวันนี้ กบูชาพราะคำพูดที่พระพุทธเจ้าทรงพูดทรงสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนี้เององทรงพูดทุกคำพูดนี้พูดที่เป็นคำพูดที่เป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้ใครเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปประพฤติไปปฏิบัติตามแล้วก็จะได้รับผลดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ทุกประการ เมื่อคําพูดเป็นคําพูดที่มีความจริงก็ทําให้คําพูดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ผู้พูดก็เป็นเป็นคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่น่าเคารพเลื่อมใสถึงแม้เราจะไม่ได้พบกับตัวของท่านเลยก็ตามแต่คําพูดของท่านนี้ก็มีอิทธิพลมากที่จะทําให้เรา มีความเคารพนับถือคนที่พูดได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยนี่คือเรื่องของอากุศลทางวาจาที่มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือการพูดบฏการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อและการพูดส่อเสียดเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพูดกันส่วนอากุศลทางใจ ก็มีอยู่สามประการด้วยกันคือความโลภความโกรธและความหลงนี่คืออากุศรทางใจที่เราต้องพยายามชำระให้ได้กำจัดให้ได้อากุศรทางใจนี้ต้องอาศัยความรู้คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องมามาชำระเพราะความโลกหรือความโกรธนี้เกิดจากความหลงความหลงก็คือความไม่รู้จริงไม่รู้ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไม่รู้ว่าเราอยู่ในโลกของ อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในโลกที่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีแต่ความทุกข์และไม่ไม่มีตัวตนนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันเราหลงกันเช่นเราหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราร่างกายจะอยู่กับเราไปนานๆร่างกายจะให้ความทุกข์กับเรา แต่ความจริงร่างกายนี้เขาไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจ่ายตายจากเราไปช้าหรือเร็วนี้ก็ไม่มีใครไปกำหนดได้เขาให้ความทุกข์ด้วยความแก่เวลาร่างกายนี้แก่ก็จะมีความทุกข์เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความทุกข์เวลาร่างกายหิวน้ำหิวอาหารก็มีความทุกข์ ร่างกายจึงเป็นกลองทุกข์แต่เรามักจะไม่มองกันเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรักต้องสมวนต้องรักษาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นี่คือความโลภความอยากแล้วถ้าใครมาแตะต้องหรือมาทำร้ายร่างกายเราเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา เกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาถ้าเราอยากจะตัดความโลภความอยากตัดความโกรธเราก็ต้องคอยสอนใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยมแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรให้ความสุขของได้อย่างแท้จริงความสุขที่ได้จากสิ่งต่ตางๆในโลกนี้ล้วนมีความทุกข์ ผสมมาด้วยเสมอถ้าเรามองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเราอยากจะได้อะไรปั๊บมันก็จะมาสอนเราทันทีว่าอย่าไปอยากได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียใจต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะของที่เราได้มานั้นเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่คงเส้นคงวา เขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นซื้อรถมาใหม่ขับได้ไม่กี่วันก็ถูกขโมยไปอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือขับไปชนเกิดอุบัติเหตุเสียหายยับเยินอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีรถเสียอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นรถยนต์วัตถุข้าวของต่างๆ หรือบุคคลต่างๆก็เป็นแบบเดียวกันเขาไม่เที่ยงเขาไม่คงเส้นคงวาได้คนนี้ตอนต้นคิดว่าเขาเป็นคนดีพอได้เขามาแล้วเขาดีไม่นานเขาก็เปลี่ยนไปจากดีกลายเป็นไปกลายเป็นไม่ดีก็จะต้องทุกขทรมานจนกว่าจะต้องแยกทางกันไปถึงจะหายทุกข์ทรมานพอไม่มีเขาแล้ว ทีนี้ก็สบายแล้วอยู่คนเดียวแสนจะสบายแต่ตอนต้นไม่รู้เพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครเตือนว่าอย่าไปเอาอะไรมานะอย่าไปเอาคนนั้นคนนี้มาเพราะมาแล้วก็จะต้องมาทุกกับเขานั่นเองถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ทุกกับเขาถ้าเขาไม่ใช่เป็นของเราแล้วเขาเป็นของคนอื่นไปแล้วมันก็จะไม่ทุก ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไปหลงไปยึดไปติดไปคิดว่าเขาเป็นของเรานั่นเองพอเราได้อะไรมาเราก็จะคิดว่าเป็นของเรา ท, าทันทีพอเป็นของเราแล้วเราก็ต้องหวงต้องหวงต้องกังวลแล้วก็ต้องเสียใจเวลาที่สูญเสียก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในโลกนี้แม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ใช่เป็นของเรา แล้วก็ต้องคืนเจ้าของเขาไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะอยู่กับใจไปได้ตลอดพอร่างกายนี้ตายไปใจก็ต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีร่างกายเป็นที่อาศัยสมบัติงอนทองที่หามาแทบเป็นแทบตายก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเพราะเราไม่สามารถที่จะที่จะ ครอบครองมันไว้ได้แล้วเราขาดร่างกายเป็นเครื่องมือถึงเมอเราจะได้กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในวันในอีก9เดือนข้างหน้าเราก็จะไม่สามารถกลับม า, ามาเรียกร้องมาครอบครองสมบัติที่เราถาไว้ได้ก่อนที่เราตายไปพอเราตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่มาบอก คนที่เขาเอาสมบัติของเราไปครอบครองว่าเป็นของเราเขาก็ไม่เชื่อและเราก็ไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นของเรา<ม>เพราะเราเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วเราได้ร่างกายใหม่มาแล้ว<ม>ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่าไปคิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราไม่มีอะไรที่เป็นความสุขที่แท้จริง นอกจากใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เท่านั้นที่จะให้ความสุขแก่เราอย่างแท้จริงถ้าใจบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจกระเพื่อมทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจวุ่นวายใจก็จะสงบพอใจสงบก็จะมีความสุขที่มากับความสงบนี้เป็นความสุขที่อยู่กับใจไปตลอด ไม่มีใครสามารถที่จะพลาดไปได้ไม่ว่าใจจะไปอยู่พบไหนชาติไหนอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีความสงบก็จะมีความสุขทันทีน่าใจจะสงบได้ก็ต่อเมื่อได้ชำระอกุศลทั้งสิบประการนี้ให้หมดไปการชาระอกุศลทั้งสิบประการนี้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้ชำระที่ความหลงนี้เพียงตัวเดียว ถ้ากำจัดความหลมได้แล้วถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราแล้ว <c oughs> ก็จะไม่เกิดความโลภเกิดความอยากได้อะไรทั้งสิน้นเมื่อไม่เกิดความโลภความอยากได้อะไรก็ไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปประพฤติผิดตัวเวณีไม่ต้องไปพูดปดไม่ต้องไปพูดคาหยาบ พูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดไม่ต้องไปโลภไม่ต้องไปโกรธกับอะไรเพราะใจไม่ได้อยากได้อะไรนั่นเองเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจที่เกิดจากการชำระใจให้บ่อยสุดเช่นใจของพระพุทธเจ้ากับใจพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ใช้เวลาหมดไปกับการหาสมบัติเข้าของเงินทองอย่างพวกเราเพราะท่านมีเคยมีมาแล้วแล้วท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ท่านจึงสละสมบัติเข้าของเงินทองทั้งหมดแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับการชำระอกุศลทั้งสิที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดไป ที่ท่านออกบวชกันไปอยู่ตามป่าตามเขากันนี้ก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ไปชำระอกุศลทั้ง1ิบประการนี้ให้หมดไปจากใจเท่านั้นและวิธีชำระก็ชำระที่ตัวความหลงนี้ตัวเดียวชำระสอนสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงให้รู้ทันความหลงนี้เป็นเหมือนความมืดบอดหรือเหมือนคนตาบอดคนตาบอดถ้าไปหาหมอที่รักษาให้เห็นได้ เขาก็จะเขาก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงใจของเราก็เหมือนกับคนตาบอดใจของเรานี้รักษาได้ไม่เหมือนตาบอดตาบอดนี้ส่วนใหญ่มักจะรักษากันไม่ได้แต่ใจที่บอดนี้รักษาให้ให้สว่างขึ้นมาได้ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ถ้าน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนนี้มาคอยสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ค่อยสอนใจกันเท่าไหร่ตอนนี้เราได้ยินให้ฟังแล้วเรารู้แล้วว่าวิธีที่จะให้เกิดความสุขที่แท้จริงก็คือต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นความสุขแก่ใจ ไม่ได้เป็นสมบัตที่แท้จริงของใจไม่เที่ยงแท้คงเส้นคงวาถ้าเราสอนใจเราอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเวลาใจเห็นอะไรอยากได้อะไรก็จะเกิดปัญญานี้มาลังงับทันทีว่ามันเป็นทุกข์นะมันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ของเรานะถ้าเรามีปัญญาสอนใจได้ทุกขณะแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่โลก เราจะไม่อยากได้อะไรแต่ถ้าเราไม่สอนใจอยู่ตลอดเวลาพอเราออกไปข้างนอกพอเห็นอะไรอยากได้ก็เกิดความโลภขึ้นมาทันทีแล้วก็ต้องไปแย่งกันทันทีถ้าเกิดมีหลายคนต้องการสิ่งเดียวกันที่เราต้องการถ้าเราหยิบช้ากว่าเขาเขาหยิบเร็วกว่าเราเราก็เสียใจหรือเราก็จะโกรธเขาขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราไม่โลภเราไม่อยากได้แล้วเราก็จะรู้สึกเฉยๆถ้าอยากจะได้ก็หยิบไปเราไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือเรื่องของการมาชำระอกุศลทั้งสิบนี้เพื่อทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะมีความสงบเมื่อมีความสงบก็จะมีความสุขที่แท้จริง ความสุขี่แหละความสุขของพระนิขขพพานนี้ก็คือความสงบของใจเพียงแต่ว่าพระนิพพานนี้เป็นความสงบที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวนันเปลี่ยนแปลงส่วนความสงบของพวกเราผุ้ทุช น, นี้ยังไม่เรียกว่าเป็นเป็นนิพพานวันใดที่จิตใจเราสงบไม่โลภไม่โกรธไม่หลงวันนั้นเวลานั้นเราก็มีความสุขใจมีความสบายใจ แต่พอเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าหรือไปเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้พอเกิดอารมณ์ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีธรรมะคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆพอเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรหรือคิดถึงเรื่องอะไรก็จะคอยบอกว่าอย่าไปอยากอย่าไปโลภอย่าไปโกรธไม่มี ไม่มันไม่ดีมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะไปยุ่งด้วยได้ยินอะไรก็ปล่อยวางสักแต่ว่าได้ยินเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นใจรักอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไม่เกิดอารมณ์ถึงแม้ใครจะด่าเราก็จะไม่เกิดอารมณ์เพราะเห็นใจรักเห็นว่ามันไม่เที่ยง พอพูดปั๊บมันก็หายไปแล้วถ้าเราไม่ไปคิดถึงคำพูดของเขามันก็ไม่เห็นมันก็หายไปแล้วถ้าใจไม่ไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนี้หายไปมันก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ใจของพวกเรามันไม่อยู่นิ่งมันชอบตามเรื่องพอใครพูดอะไรไม่ถูกหูถูกใจหรือใครทำอะไรไม่ถูกถูกตาถูกใจ มันก็ตามเรื่องนั้นไปเลยเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วต้องหลายชั่วโมงแต่ใจยังตามเรื่องนั้นอยู่แล้วก็มังหงุดหยิดลาคาญใจทุกข์กังวลใจกับเรื่องนั้นทั้งๆ ท, ที่มันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วแต่เราไม่ยอมปล่อยมันเรากดดึงมันเอาไว้อยู่ในใจของเรานี่คือการสร้างความทุกข์ของเราเพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่มีสติ พอที่จะตัดมันได้นั่นเองถ้าเรามีสติเราตั้งจิตให้อยู่ในปัจจุบันไม่ตามอนาคตไม่ตามอดีตอะไรเกิดขึ้นปับ๊บมันก็หายไปเลยอย่างคำพูดนี้พอพูดปับ๊บมันก็หายไปละถ้าเราไม่เอามาคิดอีกมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีคำพูดเลยแต่ใจของเรามันไม่อยู่ในปัจจุบันมันชอบตามอดีตไป อะไรที่เป็นอดีตแล้วก็ยังไปคิดอยู่สูญเสียอะไรไปเมื่อวานนี้วันนี้ก็ยังมาร้องห่มร้องไห้ยอยู่ใครเขาว่าอะไรเราเมื่อวานนี้วันนี้ก็ยังมาร้องห่มร้องไห้อยู่นี่แสดงว่าเราไม่มีสติใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่ในปัจจุบันใจเราไหลไปตามอารมณ์ต่างๆอารมณ์ในอดีตก็ดีอารมณ์อนาคตก็ดีอนาคตก็กังวลเรื่องนั้นหัวเรื่องนี้ กลัวว่าไอ้นั่นจะเกิดไอ้นี่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทั้งๆที่ยังไม่เกิดเลยไปกังวลทําไมกับสิ่งที่มันไม่เกิดหรือมันอาจจะไม่เกิดหรือยังไม่เกิดเวลามันเกิดก็ให้มันเกิดสิพอมันเกิดภาพมันก็ผ่านไปแล้วเช่นความตายนี้เวลามันจะตายมันก็ชั่ววินาทีเดียวมันก็ตายไปแล้วจะไปกลัวอะไรระหว่างเป็นระหว่างตายนี้เพงเพียงชั่วเนี่ยววินาทีเดียวเท่านั้นเอง พอไม่หายใจปั๊บมันก็ตายทำไมต้องมานั่งกังวลอยู่ต้องหลายสิปีด้วยกันพอคิดถึงความทุกข์ทีไรก็คิดถึงความตายทีไรก็กลัวขึ้นมา ท, าทันทีทุกขขึ้นมา ท, าทันทีทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ตายทั้งๆ ท, ที่ยังหายใจอยู่ไม่ต้องไปกลัวถึงเวลามันตายมันก็ปั๊บเดียวเท่านั้นเองมันก็ตายถ้าเรามีสติควบคุมจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันได้ ไม่กลิ้งไปหาอดีตไม่กลิ้งไปหาอนาคตแล้วใจของเราจะสงบใจของเราจะเย็นจะสบายแล้วถ้าเรามีปัญญาคอยสอนใจไม่ให้ไปโลภไปอยากกับสิ่งต่างๆใจของเราก็จะไม่กระเพื่อมจะไม่วุ่นวายจะตั้งอยู่ในความสงบไปได้ตลอดนี่คือความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเราอยู่ที่ความสงบนี้ ที่เกิดจากการชำระอกุศลทั้งสิบประการคือ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การรักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณี 4. ี่การพูดปด 5. การพูดเพ้อเจ้อ์กการพูดผลุสวาพูดคำหยาด 7. การพูดส่อเสียดพูดยุยงให้เกิดความแตกสามเี 8. ความโลภก 9. ความ โกรสิบความหลงนี่คืออกุศลทั้งสิบประการที่เราต้องหมั่นชำระให้หมดไปจากใจให้ได้เพราะเมื่อหมดแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อมจึงขอฝากเรื่องของการมาบาเพ็ญมาชำระอกุศลทั้งสิประการนี้ให้ท่านได้นำไปพิณพิจารณา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 ด้วยอายุวันสุขภัละโดยทั่วหน้าการเธอ